พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ดลำดับที่20สบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าอยู่กับโลกต้องทำให้ถูกกับโลกวันนี้ชะนีสมชายร้องละ ว, วั น, นีง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 ทำให้ไม่โยนกล้วย่โยนโยนทุเรียนให้ออไปโยนแอปเปิ้ลมันจะไปกินได้ยังไงดีว่าดิเขาโยนแอปเปิ้ลให้เนี่ยจับมันแล้วมองมองมองนะโยนทิ้งนะเอพอจับมาแล้วก็มองมองดูแล้วก็โยนทิ้งแล้วว่าข้าไม่มีปัญญากินแลแอปเปิ้ลนี่ฟันหลุดหมดแล้วใ่หมเนีชนีก็ฟันหลุดเหมือนกัน่ะแก่เหมือนกันนะบอกถึงความแก่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 ฟังดูแล้วก็ท่านมีจุดประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการเข้าไปเพื่อการศึกษาศึกษาทั้งกิ จ, จวัตรข้อวัดไม่ใช่แต่ศึกษาธรรมะอย่างเดียวน ะ, ะกิ จ, จวัตรข้อวัดจากนั้นจากนั้นก็ธรรมะที่ท่านแนะนําสั่งสอน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 ทบทวนว่าสมัยอยู่กับครูบาญาจาท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรจากนั้นเราก็นามาแนะนำหรือบอกกล่าวแต่โดยมากจุดไหนที่เผ็ดร้อนหรือว่าจุดไหนที่ท่านตุดาว่าเก่าอย่างจริงจังพวกเราก็ได้นามาใช้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อ น, นำมาใช้น้อยมาก พอเราถือว่าบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพร้อมที่จะดุดาว่าเก่าชี้อะไรออกไปก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านหรือโตเถียงเพราะเข้าไปเพื่อการศึกษายอมสิโรราบท่านว่าไงครับมีแต่ตั้งใจฟังก้มหน้าฟัง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 พูดออกไปให้คนได้ยินดูๆแล้วก็เขาก็มีความาไม่สบายใจแล้วก็ทัาแสดงออกทางกายอีกอไปกราบไปไหว้เขาอีกอไปไหว้กราบไหว้ท่านอีกอันนี้ก็ททำให้เขาไม่สบายใจเพราะเหตุใดเพราะเขามีหลักยืนยันในพระวิ น, นัย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 พระองค์ยัง เ, เป็นผู้เยาวอยู่พระมารดาของพระองค์ก็สวรรคตนางโคตมี เ, เป็นพระแม่เลี้ยงพระพุทธยาวด้วยความทนุถนอมขอพระองค์โปรดเมตตาให้นางบวชด้วยเถิดนางบวชติดตามมาจากกรุงกระบิดละพัดทั้งที่เป็นเชื้อ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 อันนี้คือหลธรรมแปดประการอยู่ในนั้นอันนี้ครัพวกเราศึกษาดูเพราะมันอยู่ในพระวินัยอยู่แล้วแต่ว่าเรากดจำได้ว่าภิกษุณีบวชถึงร้อยปีต้องเคารพกราบภิกษุผู้บวชในวันนั้นอันนี้ก็คือข้อหนึ่งถ้าภิกษุภิกษุณีไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแปลว่าผิด คลุธรรม8ประการก็คือปาราชิก8นั่นเองขาดจากการเป็นพิกษุนีลักษณะอย่างนั้นแต่พระนี่ว่าปาราชิก4แต่พิกษุนีเนี่ยปาราชิก8นะเพิ่มเพิ่มอบัติเข้าไปอีกเพื่อความเข้มงวดในในการเป็นอยู่ของพระวินัยอันนี้พวกเราศึกษาศึกษาดูก็ได้นะในพระไตรปิฎกมี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 พราะพิชษุนีบวชเข้ามาแล้วทำตนไม่ดีมีคนฟ้องร้องทั้งไปขอของเขาบ้างทั้งเลียอ่ไรบ้างทั้งพูดกะแหนกะแหนบ้างอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยวินัยวินัยวินัยวินัยคื อ, คอกฎระเบียบเมื่อคนทําผิดกฎหมายลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าทําผิดกฎหมายขึ้นมาก็บัญญตัติอย่างพวกวันนี้วินัยยาเสพติดอย่างนี้นแต่ก่อนก็ไม่มียาบ้ายามา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 เจ้าของสวนเขาก็บอกว่าเอาเถอะพระแม่เจ้ากระเทียมอยู่ในสวนพระแม่เจ้าต้องการจะมาทำยาก็มาเอามาได้ไปเอาได้กระเทียมอยู่ในสวนผมนั่นลหละไปเอาเลยเจ้าของเขาก็ไม่ได้ไปด้วยแต่ในภพล็กซ์โซนพูดได้คำนั้นไปรื้อเอาทั้งสวนเขาเลยจะเลยพอเขาให้แล้วเนี่ยถอนเอาทั้งหมดเลย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 เขารบทําก็จริงอยู่แต่มันขาดวินัยแต่ทำวินัยทำและวินัยมันไปด้วยกันต้องมีพระวินัยต้องศึกษาวินัยด้วยควรจะทํอยังไงไม่ใช่ว่าเราจะทาให้มันถูกทาแต่มันผิดวินัยมันก็ไม่ได้ทาและวินัยแต่ทำนั้นละเอียดกว่าวินัยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามทำนั่นคืออยู่ในใจวินัยคื อ, คอรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวัตศิน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 ต่นี้คนทั้งหลายมหาทั้งหลายผู้ได้รับการศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งหลายก็งงอีกเหมือนกันหลวงตาจ ะ, จะเป็นศาสดาขึ้นมาเสียแล้วทำไมพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่พูดมหาบัวทำยังไงแต่นี้หลวงตาอธิบายให้ฟังคันว่าสมาธิอบรมปัญญาก็คือทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้ว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 ใช่เราเป็นคนกระดูกข้องเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอ่อถ้ากิเลสไม่หนาจนเกินไปก็คงจะว่าใช่กระดูกข้องข้าก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ากิเลสหนาน ะ, ะาไม่ใช่นะกระดูกข้าไม่เป็นอย่างนี้นะสวยงามยิ่งกว่าเพชรนินกินได้ต่างหากนะ เ, เออมันจะย้อนเข้ามาวาไม่เอาเออกระดูกข้องข้าไม่เป็นอย่างนี้เอ่อข้านี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะสวยกว่าเอ่อ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 ชี้กระดูกหลังขึ้นมาเป็นข้อข้อขึอขอข้นมาจนถึงกระดูกไหาปาระกระดูกไหล่กระดูกคอไล่ขึ้นมากระดูกศีรษะเบ่าตาจมูกที่ไม่มีกระดูกที่ไม่มีหนังมีแต่กระดูกและกระขากันไกลฟันฮที่เป็นซี่ๆอยู่น้าหนนะังนี่แหละ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 มันเห็นชัดในร่างกายเห็นชัดที่ฟันที่มันจดกันอยู่นั่นเอาใจของเราอยู่ที่ฟันเลยมองดูที่ฟันตัวเองเนียเมื่อมองอยู่ที่ฟันตัวเองไม่แหมเป็นไปที่อื่นใจก็รวมสงบเป็นหนึ่งอันนี้ท่านว่าปัญญาใช้ปัญญาตรอมเข้ามาหาสมาธิเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่ง ใจไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านใจเน่งดู อ, อพอดูผ่านความสงบเสร็จแล้วทตนี่นํามาพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเราหลงอะไรหลงอะไรใจของเราหลงอะไรหลงกายใช่ไหมว่ากายนี่จะเป็น อ, อสวรรค์วิมานใช่ไหมจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมใจ อ, อถามใจอะไรนี่มันเห็นแล้วเลย ดูร่างกายของตัวเองเลยผลในสุดถ้าหลงร่างกายก็จะหลงอย่างอื่นใช่ไหมใจหลงคนอื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงชาลงสา ล, สาลาวัดวาศาสนาที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นของเราทั้งหมดใช่ไหมใจแต่การหลงพอยินถามนะคณะสัตยาย า, าติโยมที่มากราบไหวเรานี่เป็นของเราแท้ๆใช่ไหมหลงพอยินจะไม่ตายต่แ ต, แตอย่างนั้นใช่ไหมใจฮ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 ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสัตยาญาิโยมการพิจารณาธรรมด้วยการพิจารณาปัญญาเดินวิปัจนานะเดินลักษณะอย่างนี้นะแต่ก็มีหลายวิธีนะอันนี้หลวงพ่อบอกวิธีแนวหนึ่งนะแต่ให้เราศึกษาแล้วก็ค่อยฟังไปเรื่อยวิธีการปฏิบัติบางทีกับพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบางทีกับพิจารณาอสุภะจุดใดจุดหนึ่งหรือบางทีพิจารณากระดูก ทั้งยวงหรือเพีิจนาผิวหนังทั้งร่างกายเหล่านี้เป็นต้นนะขอให้พวกเราศึกษามุ่งมั่นแต่ก็ให้มีสมาธิสนะะก่อนจึงเดินปัญญาถ้าไม่มีสมาธิเดินปัญญาได้ไม่ได้แต่เมื่อกับตูปัตตุเปทุูรักุูเลไปเรนะื่อยมันไม่ชัดเจนนะถ้ามีสมาธิแน่วแน่สะก่อนยังเดินอันนั้นจะดีกว่าถูกต้องกว่า เอเอาลับพ่อนอนโมตนาให้พ่อน